ปีนี้ปีนี้นะจะฝึกกันจริงๆ จ, จังๆให้ฝึกเปลี่ยนนิสัยจริยามารยาททุกอย่างทีเดียวมื้อนี้เป็นมื้อข้าภรรษาวานนี้ตอนเย็นผมเตือนไว้ผูดด้ใดบม่พอใจแล้วกับนิมนต์ไปได้เพราะมีระยะเวลาี่ออกเดินทางไปหาจําพรรษาที่อื่นได้มื้อนี้ถ้าพอใจอยุ่งจะฝึกตนฝึกโตแท่อยู่ใดครับที่อย่างนันที่ผมบอกนี้ พ่อพรมพยายามทับหนึ่งข่วนปีนี้เราจะต้องพยายามฝึกกันจริงจริงจังๆเพื่อจะไปสอนขนให้ว่าเดีอไปัิจฟื้นฟูตัวเขาบมไอจิให้ไปตามนิสัยให้ไปตามอารมณ์มันมีสูตรพันวาการปฏิบัติธรรมมาควานวาหนังสือเวลามีสูตรออเดียวหมดูมุจักกันไ่เสร็จเดีว่า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 เอาบูฮุจักยอดมือนี้จึงว่าเป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าข้อพันศามือนี้ตอนเย็นครับห้าห้าภัจยจียูนี่ก็ต้องเตรียมเื้อเตรียมตัวได้ถ้าจะยอมเปลี่ยนแปลงได้หรอคันโบนยอมเปลี่ยนแปลงผมบนอยากให้อยู่เพราะมันเปื้อนสถานที่ผมนี่ครับเดี๋ยวมันนี้ผมก็มู่ให้เอาไปเลยทุกคน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 ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนขอให้มีสติรู้เดินขอให้มีสติรู้นั่งขอให้มีสติรู้นอนขอให้มีสติรู้อันนี้เฮามีสติเพื่ออย่างก็เพื่อบอให้ลืมตัวเฮานี่แหล้วการกราบการไหวแม้ไหวพระ ท, ทุกเช้าทุกเย็นส่งกระแสจิตไม่ได้สํานึกถึงตัวตัวมื่อที่เป็นแสนด้กระตามสาร่างแสดงว่าเฮาบุรูตัวเฮา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 พระวนานตันแต่ปีดกสองมืนหนึ่งพันพระดำขันสองปีดกนี้เป็นสี่0มื่นสองพันส่วนพายพิธรมปีดกปีดกเดียวนั่นลหละมีสี่หมื่นสองันรวมเป็นแปด0มืนสี่พันพระำขันวนี้มันเาวได้งเนะเขากระแสนิสสกไปจีนจุนให้มะกะแสติดโตเฮากำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยพระสูรคือ ต, อตัวโตเฮานี่แหละ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 เขากล้าเขาไว้เขามีสติผู้ใดบ่มีสติกัง้อยแง่ไปอ้ยอยแอ่ไปเลิกแบบนั้นแปลว่าแสดงว่าโบฝึกตัวเองจิตใจโบเข้มแข็งไปจีฝึกได้โบธรรมะคนฝึกธรรมะมันต้องจิตใจเข้มแข็งผมเคยว่าบ่อยๆผมตะกอนผมสู่บุรีผมไปโยมน่ไปปฏิบัติธรรมะนี่ครับหักยี่สิบปรู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 เมื่อผมทําอย่างนี้ผมรูรูรูเรื่องรูปเรื่องนามนี่หละครับอันนี้แหละเป็นสูตรมันในแท้เลยอันนี้รูปน้ํามนี่เป็นของสําคัญคันรูรูปน้ําแล้วกลับไปทําอย่างอื่นบอมแมนผิดแล้วเขาลืมรูปเรื่องนามแล้วตื้นเลยดิรูรูรูนามรูรูปทำรูน้ํามทำรูปอันนี้มันทำใจมันกระทำตัวมั้ยรูปอันนี้เป็นโลกใจมันก็เป็นโลกเนี่ย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 มันสะสมเล็กๆในนวดสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นให้รู้ของจริงอันนี้ลืมเพอโตไปมมโมเดิรนเอิญโมหะโพสะโลภะเอาไปกินแล้วบ่มีสติแล้วเหาเนี่เพื่นสอนจังสันพระพุทธเจ้าเพื่นสอนเมื่อรู้อันนี้แล้วผมก็รู้สมมุติโรวบเดียวสมมุติที่สมมุติเทวดาสมมุติบวดสม ม, ต, ส ม, มติสิกพระพุทธรูปมุนีสมมติ ผมหูจักอย่างจริงจังจริงจงตอนเตาผมหูจักหูจักสมมุตินีดแล้วก่อนหูจักศาสนาโรเบียาศาสนาไปว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไดนํามาสอนทำนั้นแต่สอนให้ละตัวทําดีซื้ อ, อ, อ, อบนพุทธศาสน า, ศาผมเข้าใจแล้วตัวพุทธศาสนาคือตัวสติรู้สึกตัวเนี่ยตัวสมาธิตั้งใจเนี่ยคนตั้งใจจึงจะนั่งทนอยู่ได้จิตใจเข้ขงแกรง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 คนแข้งกูท่อดนำคาคนขากูท่อขอนเม้นกูจักเต้นไปได้หอฮโยยศผ่นวาพญามณ์ทางหลายเจ้ามากลับมาไหวมาค้าบ่าบังไผยจีน ม, มาค้งมาบังตัวเขาบ่มีไผ่มาค้างมาบังที่แท้เป็นคําพูดสมมุติให้เู้จักสมมุตรจริจริงๆอันนี้แหละเขาไปติดสมมุติไปติดเตพิธีลีตองต่างๆเขาเลยโบได้ปฏิบัติตัวเขาจริงๆปีนี้แ่ะต้องออกกันจริงกระจร่างอันนี้เป็นสูตรสูตรหนึ่งเบืองต้น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 สัมผัสได้จริงๆวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวต้นไม้ปูเข่าห้วยหนองฟองบึงเป็นวัตถุทั้งนั้นเนื้อหนังเขาเป็นวัตถุบดเนี่ยมีจริงจิตใจเขาก็เป็นวัตถุมีจริงนี่ของจริงมาต้องเห็นจริงแล้วสันไลเป็นคันเป็นตอนมาแล้วสันปรามาตัตดแล้วของจริงมีอยู่ในโลกนี้กำลังเขาสัมผัสอยู่กำลังเขาลู่ตัวอยู่กำลังเขารู้ความคิดเขาอยู่เนี่ยเป็นปรามาตัตด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 ตะัตะบุรุษบุคคลผู้ที่รู้มาสอนมาสิรู้พิจากนี้ไปบ่มีอะไรบ้าอันนี้เพื่อนวันหลักสนะใจดีเมื่อรูปรูปน้ําเนี่ยนะดีใจนี่ใจมันดีแล้วบ่พอเอาน้ําออกจากอันตะกอนได้เด็ตะกอนอันที่เขาเอ้น้ําคุนนำ้นำอยู่ตรงท่งให้ทงห่งนาเขาไถนาแล้วเขาเอาน้ำขุ น, นห้องจริงโงจริงควรคว่ำจิงนาบุกุลตะกอนตั้งหันนี่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 พูดตัตลูตามพระพุทธเจ้ามีสิลงนิทิธิเสมอการมีสิ้นคือกันกับพระพุทธเจ้ามีความเห็นเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าโบผิดกันถ้าผิดจักนี้ไปแล้วผมว่าทูกของผู้นั้นแต่วิธีผมมีโบทุกแต่วิธีนั่นก็ได้บอกได้สอนกันมาแล้วมู่หลวงพ่อมู่นี่ก็ได้เห็นสําเร็จมาแล้วไหมบ่เนี่ยมู่มาหาโมคุณทุกคนละ่อยู่เนี่ยเหตสสาจังหวะ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 ผมเดินไปเดินมาน่ะแต่ผมนั่งสก้อ น, นะพี่ตับนั่งแล้วผมก็ลกมาเดินเดินแล้วผมมันมีมไฟฟ้าเทียนไขไปใตไวโต้ขี้เข็บตัหนึ่งมันมาเรีนภาาพมาผมเลยเอาเทียนไขใต้ต่างไปเพราะว่ามันกัดผมคือหนูที่เจมันเก็บคีอเข็บนีไปแสงปรเห็นี่กลับมาใต้ไวเลยเลยหัวจักสินขึ้นมาเลย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 ก็เลยรู้จักสิงสินเ ป, นปรียปกตินั่งอยู่นี่ขันผู้ใดบูอยู่ปกติเราแสดง ว, ว่าบูามีสินตัวเดียวจัดการกิเลสยังหยาบบดไดเป็นพักที่ริว